คือทำวัดจันในี้ใครมาร่วมเก็บพารมณ์เข้มสี่สิบวันบ้างยกมือขึ้นโยมที่เก็บอารมณ์สี่สิวันน่ยยกมือขึ้นไม่ชี้น้องสูงฆ์พระคุณเจ้าะลองยกมือที่เก็บอารมณ์กันามาลงสิบปัจฉันรยมทั้งโยมนั้งแพร่มาลงมาลงก็เริ่มต้นละ เทศกาลเก็บรอมอเข้ม 40,000 วันนี้ก็เป็นวันแรกเรารวมตัวกันวันที่20พฤษภาคมโดยจอบิเทีน ก, ก็วันที่30มิถุนายนก็ได้ช่วยโอกาสใช้ชื่อกิจกรรม กรรมฐานเกวบลมเข้ม40วันให้คุ้มช่วงนี้ใครไม่ได้ไปทำงานทำการช่วยเหลือหมู่คณะกิจวัตรประจำวันก็ไม่มใครว่าอะไรหรอกลงชื่อเป็นรายละ อ, อักษรแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆตั้งใจใส่ใจปฏิบัติจริงๆศึกษา เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้ธรรมะที่เราไม่ได้มาค้นหานะเราเดินไปเลยกระโดดใส่ลงไปเลยพระเจ้าจค้นหาคิดค้นไปหมดละการปฏิบัติเป็นลักษณะของกรรมฐานปฏิบัติการมันไม่ใช่กรรมฐานทฤษฎีหรือว่าวิชาการทฤษฎีปริยัตปฏิบัติในลงมือทําลงไปแล้วกเกิดผลเกิดผลทันที ที่เรารู้เนื้อรู้ตัวเราใช้ชีวิตอย่างประหยัดใช้ชีวิตอย่างเรามาระวังสำรวมในประมาณต้องแต่เตือนยันหลับปุถุชนคนทั่วไปก็ป่านนี้กาลังหาอยู่หากินกันนะมือสุดท้ายก่อนนอนบางคนก็รับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วทำงานภาคดึกภาคค่ำกันวันนอนมาทั้งวัน กลวันเป็นกลคืนกลางืนเป็นกลางวันนกะก็รอกระแปะที่วัด่าสุกโตก็หากินเป็นมื้อสุดท้ายเหมือนกันถนนเนง่ ข, นนข้างๆหอไตรถนนสุขหลายตัวรวมกันแล้วมหาดปลูกมหาดนะรู้จักไหมครีมมหาทาหน้าเด้งหน้าขาวก็เราเป็นที่นิยมหน้าวัดมนมีตลาวัดไปตรงนี้ก็มี เาก็แล้วอก็นแตก็ลุมกันบุฟเฟ่ลูกกล้วยนมีกล้วยอยู่มันก็กิกนหัวปลีกินลูกอ่อนจนแก่จนสุกนู่นน่ะอาหารของสัตว์สาลาสิงแต่พวกเราชาววัดนะไปวัดํามเรางดมือเย็นอาจจะมีน้ำปลานะเลยน้อยไปยิงยู่ ปัิบัติเกบลงเก็มนี่ลรไม่ขนกว่ า, ายอยู่แล้วเระยาวนมหรือว่าอวนตินของกินไปไว้ในเต็นท์เลยนะเดี๋ยวเป็นเรื่องหนูจอกระแตกระลอกจาะเต็นท์พรุนมานะ่ยพยายามสู้ตายมือเดียวปักทิตลาหน้าก็านาะจะมีแค่เข้าหอหอหนึ่งหรือว่าปักเผื่อๆไวะ วันไหนกับข้าวเยอะตักเผื่อเยอะไหนไหนกับข้าวน้อยน้อยหน่อยประหยัดเนื้อที่กอประหยัดเนื้อที่พื้นที่นั่งพื้นที่เดินพื้นที่ยืนพื้นที่นอนประหยัดใช้อยู่ในขอบในกขอบในเขตพยายามให้มันอยู่กับตัวเองไม่ทําตามความคิดให้ ม, มากเพราะความคิดชวนเดี่ย่เชือกหย่อนไปแก่ปลูกใหม่ เดี๋ยวเชือกตึงไปอ่ะแก่ปูกใหม่เดี๋ยวทังขึ้นไม่ดีทรายมันขึ้นไปด้วยอ่ะหาไอโนโนไอหนีมาลองน่ยจะทังวันนะ่ะขนไกวเรื่องตรงนี้โดยดีนะักขวนไกวมันก็คือตัญหานั่นแหละปัญหาก็ทยานยากไม่ชอบชอบน่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ เลยไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยเด่นะรูปแบบที่เพิ่งปฏิบัติแล้วก็ยัง ไ, ได้อยู่รูปแบบแล้วก็นนะจะอกไอ้นั่นนิดนี่หน่อยพระเช้าบอกไว้ว่ า, วาลานหญิงงเนี่ย้ทางเดินตรงกลมก็ยี่นั่งสร้างจังหวะเสียงนะอัตมาขวายะทําได้มาในเสียงข้อคอรหานินทาของคนเราก็ใช้คำว่าเฉยหรือว่าหน้าด้านก็ได้ ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่เฉยๆแล่างนะั้นแะทางเดินจงกลมในใจเห็นเวลาปฏิบัติกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคร้ ง, ส, ง, างสามเนี่ยนะคนเดินกันเบีนพ่า น, นเลยเลยปฏิบัติทำมันจับจุดกันไม่ถูกมันเดินก้าวเดียวแนละ้วยังเดินหน้าถอยหลังทิสุตัวมีสติมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าถอยม า, าข้างหลังแต่ว่าคนส่วนใหญ่เดินตามใจกู เดินทำตามใจตัวเองตามความคิดตามอารมณ์เดินหาความเพลินะนะคุณไงไม่รู้ว่าตัวนั้นมันคือตัวกิเลส ต, ตัวนึงของความเพลินหะรือว่ามันทนะิเราก็ต้องละนะตัวมันทินะละมันทนะิความเพลินทั้งหลายปฏิบัติแล้ให้ความสงบปฏิบัติล้ให้ความสุขปฏิบัติแล้วแหมมันยิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสไปคิดอย่างนั้นแสดงว่าเออวางใจแล้วผิดแล้ว ก็แต่เริ่มต้นฝึกคราวนี้ันก็เดินหาความสบา ย, ยนะก็เดินเหยียบดินต้นไม้มันก็แทนที่จะโตก็ดินแน่นอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเออเดินเป็นไงก็ขวากลุ่นั้นด้วยใบไม้นี่มันวิววัยมันเป็นปุ๋ยมันปกปิดคุมความชื้นมันจะได้ใช้ความชื้นลากตัวซับตัวซึมไปของตัวเองได้ว่าเนื้อมันในมัน อัดยายซื้อขนมยายอ่ะวนเวียนเป็นวัฏจักรเป็นวงจรชีวิตของต้นไม้อันนี้มันม่าแ้งอยู่เดือนหกอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าฝนเต็มเต็มอนี้เราต้องรู้จักอยู่กับธรรมชาตินะก็มีรหัสอะไรบอกเราเห็ดเวลาฝนตกซ้ำๆไม่เห็ดเันจะขึ้นเห็ดลราโง่งนะเราก็เดินเหยียบดินจนแข็งมาเห็ดทนแทนที่จะขึ้นก็นไม่ขึ้น เด็กขึ้นมากันเล็กๆกันๆแต่ถ้าปล่อยให้ใบไม้คุมมันใหญ่เลนะเห็ดผานโง่ใหญ่นะเท่าหน้าคนเนี่ยแหละเห็ดผานนะเห็ดโคนเห็ดละโง่ดอกใหญ่ๆใหญ่โตขึ้นโตขึ้นสมัยก่อนเดินเหยียบกันจนดอกเล็กๆนะปุ๋ยก็ไม่ ม, มีฝนตกหนักๆใบไม้ก็ขวาดลงไปข้างล่างนะน้ํามันขวาดลงไปนอกจากคนขวานแล้วน้ํายังกัดเซาะหน้าดิน เลยทำเป็นเขื่อนเอาว้สังเกต ด, ดูทํำมาได้เป็นแถวเป็นแนวแล้วตามซิกแซกซิกแซกห้น้ำมันไหลซอกแซกซอกแซกซอกแซกไปหน้าดินมันจะไม่ไหลลงทีเดียวข้างล่างเพดัะนั้นเป็นอะไรบางอย่างที่ทํำมาไว้ให้ผู้ที่เกิดการสะดวกบางทีเราเดินทั้งวันพื้นที่มันลาดเอียงเดินซ้ายขวาขาไม่เท่ากันกร็ดูง ก, ก็เสียหมด เราก็รู้ว่าเออระดับที่มันราบเรียบเนี่ยมันช่วยเดินแล้วรู้สึกตัวได้อย่างง่ายงายรู้สึกมันมันสะดวกสบายเวลาทำมันไดอารมณ์ปฏิบัติดังง่ายง่ายขาสั้นข้างยาวข้างเดินตกหลุมบ้างสะดุดบ้างคนใหม่ๆนะอินทรียไม่พอมันไม่พร้อมสัตว์นโปกยากเดินทีไรก็งดหิวเดินทีไรก็าําคาญฟุ้งเส้น มันไม่เกิดที่ตีไม่ยิ่มไม่มีกําลังความขยันก็เกิดยากนะเวลาง่วงก็เหมือนกันเวลาเดินบนแท่นสูงๆเวลาง่วงลงง่วงดูมันเดินจ ะ, ะเซตตกลนลมาเพราะฉะนั้นเวลาเดินก็จะระมัดระวังเพราะฉนั้นมันมีเหตุผลหลายประการรองรับในสิ่งที่ทําอยู่เก้า อ, อี้หินอ่อนที่ไปวางเนะตัวนั้งแค่สองร้อยบาท สั่งมาเยอะๆเนีตัวแค่200บาทเองก็ตีเอเก้าอีพ e ัาติกเนี่เอาไปวางตากแดดตากฝนแป๊บเดียวก็กรอบแล้วตัวกเกือบ100บาทแล้วดีๆก็100กว่าบาทใช้อยู่ปีสปีกระพังหกักแตกผุพังไปกรอบกีหินอ่อนเนี่เกือบ10ปีแล้วนั่นนะ เพราะฉะนั้นใช้ปัญญาอยู่ในการที่จะทําอะไรบางอย่างนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดสูงประโยชน์สุดแเพราะนั้นกุญย์มันอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่นั้นอย่าไปล่าเดีย๋ยวล่าไปผูเชือกมั่งเดี๋ยวล่ากขาอยู่ล่มไม้มั่งไม่ต้องเอาไว้ที่เดิมแต่ว่าให้ใช้กุญย์ปฏิบติโดใช้ทุกครั้งกเก็บทุกครั้งเวลาไปตักอาหารนะ่ะแสดงเจตนาว่าเรามีสติอยู่หยิบสติไปความฝนตกจะได้ไม่แช่ เราไปแขวนไว้กิ่งไม้มีกิ่งไม้อยู่เวลาก็ตัดกิ่งไม้มีกิ่งค้างอยู่เอาไปแขวนไว้ได้เลยทําอย่างนี้จะเปิดเป็นนิสัยเลยระโยชนที่นี่เวลามาเรากันดูอย่างประหยัดเลยประโยชน์สูงประหยัดสุดอาจารย์พระธาตุบอกว่ากินข้าวจานแมวนอนเหมือนหมูนอนเหมือนหมูนอ น, หมอ น, หมนอนง่ายๆ อาบน้ํางามในครูกินข้าวจานแมวนอนหมืนหมูหาบน้ําในครูเนี่ยเราคือนักปฏิบัติธรรมนะผมเราจะมาไปทํานิมิตเอาไว้ขอนไม้นะมันให้คุณมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ลานหิงโคง้งปีแรกเลยนะก่อนที่จะสร้างลานหิงโคง้งนะก็เดินตั้งใจปฏิบัติอย่างดีเลยแผ่สามผืนแบบพระเลย มีผ้าสามผืนบาทหนึ่งถอถาบริหารอยู่ในบาทแปดอย่างเรามีผ้าสามผืนสบงจีวร อ, อังสะทีนี้จะอยู่ยังไงก็อยู่แบบไปอาหารมีแค่ไหนล้วก็ดูเฉลี่ยคนแล้วก็ตักมาแค่พอเหมาะเหมาะที่เราจะมีแรงแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ไม่ให้เหลือ พราะเอเหลือทิ้งไว้มดเข้ามาสัตว์สาลาสิงห์มากวนเราไก่ก็มากินที่หมาก็มาแล้วหมัดมันมากับหมาเห็บไก่ันก็มากับไก่ทีนี้มนุษย์เนื้อหอมห อ, มอย่างพวกเราอินซีดีๆลูกคุณหนูอยู่กับบ้านกับช่องแล้วมานอนอยู่ป่าโอ้หมัดกัดเทียงเดี๋ยวกัเฟ่เดานเลือบลิ้นยุงลรกัดหนา ย, ยัางก็าเน่า และไทยก็ปฏิบัติทมไม่ได้นะอิสีอ่อนก็เลยต้องระมัดระวังกันให้ดีอาหารการขบชันต่างๆกินให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็กินให้หมดเย่ะให้เหลือเป็นลนักษณะที่ใสยของนักบวชที่จะเก็บอารมณ์เข้มกัน40วันแล้วก็ขยันทำในรูปแบบให้มากจะไม่โทรศัพท์ไม่เดินเพ่นพ่านทำให้ได้ทุกวันอย่าเนื้อปล า, าไม่ดูอยู่ที่นี่ก็ปกครองโดยไม่ปกครอง เข้าใจความหมายตรงนี้ไหมมีไปเห็นหรอกว่าต้องทํำนั้นทํานี่ทำโน้นไปที่ไหนมิตรต้องมิตรยาเราก็เรียบร้อยไท้ายสุดเป็นคนเก็บกดกลัวพระกลัวครูจนกระทั ง, งไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวก็หรับเป็นอย่างนั้นท่านที่นี่สอนให้อาถานสอนให้เป็นคนที่ล่าเริงในธรรมเจอฝนตกแดนออกเจอศัาลาสิ่ง ยิ้มได้เสมอยิ้มได้ไปไปมาไม่ร้องขอใครให้ช่วยท้งนั้นนหะเห็นพระมาเห็นพระอะไรไม่ต้องไปช่วยช่วงเนีน้ตัวใครตัวเผือกไปเลยช่วยตัวเองให้ได้ก็แล้วกันพระนี่เข้มแข็งว่ายมบอกเลยไม่ได้ออนแอไปยมเลยแต่บางทีรักษาบุญไว้ในใจนะครับภาคปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องมาดูใจกันตัวใครตัวเราทุกทุกคนเดียวเวลาตายตายคนเดียว เรามาดูกันหลักษาใจไม่ทุกข์นี่สำคัญะังนั้นในรูปแบบเราทําให้มากเท็มกันคือความคิดเกิดอย่าไปยุ่งกับมันคิดดีเป็นบุญคิดไม่ดีเป็นบาปคิดฉลาดเป็นกุศลคิดไม่ฉลาดเป็นอกุศลมันเกิดที่ความคิดคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกข์มันกิที่ความคิดนี กรรฐานแบบแนวหลวงปู่เทียนให้ออกจากความคิดมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวเบื้องต้นเราก็ได้ประโยชน์แล้วนะแต่ว่าปัญหาที่เกิดก็คือเรายังดูความรู้สึกตัวไม่เป็นยังรู้ความรู้สึกตัวไม่เป็นเราก็เลยต้องลองผิดลองถูกทกนไปบางคนอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมแบบแนวสร้างจงหวะ ที่หลวงปู่เทียนท่านได้เผยแผ่มานานตั้งแต่ปี 2,500 นั่นแนหะตอนนี้ก็56ปีแล้วที่ท่านรู้เรื่องนี้ไหแล้วก็วัดป่าส่วโตก็มีกิจกรรมหลากหลายเดยวอนที่24นะในวัดแบบเข้ม40วันเนะี่ยเราก็จะเจอในเพอ ม, มาเปิดงานที่ลานหญิงโคง้งต้างมาบวชป่ากันมาปลูกป่ากัน ผ้าเหลืองนำปะโกต้นไม้ก็เรียกว่าคนบวชก็จะเป็นคนดีนะพอดีแล้วพอเพืปฏิบัติดีแล้วสมควรแล้วออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติจนกระทั่งตรงต่อานนพานิพาแล้วมารู้แล้วก็ไปบอกคนอื่นต่อๆกันไปอา่าโยมมาดูแลอุปถาคุปถรรัมปปกป้องคุ้มครอง ไปที่ไหนไม่อดไม่อยา่างแต่เมื่อปฏิบัตินะประพฤติแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติดีแล้วก็ไปบอกคนอื่นให้ดีต่อไปเราไม่ทุกข์ก็บอยคนหนึ่งก็ไม่ทุกข์ต่อไปก็ได้ประโยชน์สืบทอดศาสนาโบวป่าก็เหมือนกันต้นไม้นมันให้คุณค่าให้ประโยชน์มีความดีต่อพวกเราเป็น เรียกว่าเทวดากทวดาเขาเรียกว่าลูกเทวดานะต้นไม้เป็นลูกเทวดาปกป้องคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราอยู่มีความลมรื่น ล, ม, ล, ม, ลมเย็นปัดป่าสกุลต้นไม้มันเยอะเมื่อเราได้อาศัยเราก็ต้องดูแลปกป้องคุ้มครองการบวชี่เป็นการดูแลหลวงพ่อพูดถึงว่าให้คนนวนหกสิบเจ็ดล้านคนในประเทศไทยเป็นเจ้าของ เราเป็นเจ้าของไม่ใช่เราเป็นเจ้าของตัดต้นไม้จากต้นก็หมายถึงหกสิบเจ็ดล้านคนเป็นเจ้าของไม่ใช่เราเป็นเจ้าของเราต้องเกรง อ, อกเกรงใจกันนั่นก็เราก็เลยดูแลต้นไม้ว่าต้นไม้ไม่ให้คุณกับพวกเราแล้วก็โอเคสมเด็จสมาลเจ้าก็ประสูติในป่าเราก็รู้เอกเข้าไปในป่า ปนานสิลิมหามัญญาแล้วก็คลอดพระบุตรออกมาสันติเทพบุตรที่ตกจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาก็เลือกแล้วเอาขันของปนางสิริมหามาญญาคลอดพระมหาบุรุษออกมาก็เส่ป่าลังปนลังรู้จักไม่บรานเไม่แต่งไม่ลังแต่ว่าอินเดียคือต้นสาละ ไอ้ดสวยไม่ใช่ น, นั้นเป็นสาญลาของประเทศศรีลังกาครับของประเทศอินเดียคือต้นลังไม้เต่งไม้ลังก็เกิดในป่าปฏิบัติธรรมตัดสรู้กันในป่าั่งใต้ต้นโพสมัยนั้นแถบเมืองเวรุวันแถบเมืองอุรุเวลาเสนานิคม หรือว่าเมืองเอ่ออะไรของอินเดียวตอนนี้เมืองอะไรนะพุทธกยาหรีกชื่อนึงชื่ออะไรนะมีชื่อหนึ่พุทธกยาเป็นป่าก็เ่นและแล้วก็นั่งไต่ต้นโพไม่รู้ทำมาไต่ต้นไม้เหมือนพวกเราที่เก็บอารมอะไรอยู่ใต้ต้นไม้อมันมีความสุขนะอยู่คนเดียวบางคนก็ล่มใหญ่ดีเดียวล่มโพร่มไะ ต้นไม้บางคนดูแล้วกลัวแต่บางคนนะโอ้หเห็นแล้วมันรู้สึกว่าอบอุ่นต้นไม้นั่งพิงต้นไม้แล้วนั่งยกมือจับเสียงว่าวมันมีความสุขนะตัดจะรู้ก็ตายต้นไม้สอนธรเมื่อป่าอิสิปัตนาเมื่อไหรวันก็ใช้ป่าใช้ต้นไม้สอนทรกันจนถึงเวลาปรินิพานระดับขันง่าใช้ต้นไม้ หรือใต้ต้นหลังคู่นั่งหลังคู่ดับขันบรรลินิพพานไปก็แล้วทั้งชีวิตนี้หป่ามันเป็นคุณจริงๆต่อการบรรลุธรรมเราเลยมาสายป่าสุกโตไปแล้วด้วยดีจริงๆทีอาจจะไปสุขติโูมบ้างคิดแล้วเกิดใจบุญขึ้นมาเกิดความยิมแย้มแจ่ ม, มจใสต่องใสหน้าขาวอยเวลาปฏิบัติเกิบลม น, นะมังทีอาจจะงดหงิด เปแล้วนะ่ของทุกติภูมิโผล่พุขึ้นมาให้เราได้รู้แล้วนะ่อคืออาการอาการของวิบากที่มาในรูปรอยของความคิดเราจะได้ใช้กรรมและตัดกรรมทนะรานฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเปรียบเหมือนกับภาวะของพุทธภาวะพุทธที่มีอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ละขณนะที่เราจะต้องเก็บผสม เก็บหอมรอมริษฐ์จอทั้งสติน้อยกลายเป็นมหาสติการรู้กายมันไปเวลาจิตธรทำจนทั้งรู้รอบเมื่อเช้าหลวงพ่อเทศตรงนี้มาฟังแล้วอืมตรงตรงนี้สิมันก็พูดอยู่ในใจนะอันนี้หลวงพ่อก็พูดซ้อนออกมาดังคำว่ารู้รอบก็คือมันมีสติเป็นภาวะผู้ดูรู้อยู่มันจะรู้รอบจริงๆกายเวลาจิตรำ มันจะรู้ตาคงจะหมเร่อกายใจภาวะผู้ดูตรงนี้มันรู้ที่เป็นภาวะผู้ดูมันรู้รอบกองสังขารแต่ว่าใหม่ใหมันจะเหมือนกับเกิดขึ้นแล้วก็ไปรู้เรารู้ตัดตัดรู้ตัดตัดเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้คําว่าตามรู้ตามรู้แต่มาเวลาใครพูดตามรู้ตามรู้จะแย้งอยู่กันไหนจะแย้งอยู่ตลอดลน่ะคําว่าตามรู้ตามรู้เราเห็นว่าไม่ใช่ตามรู้แล้วไม่ใช่ แต่เป็นการเด็มันรู้ก่อนแต่มันมีสติปฐานสี่อย่างเก่งมันรู้ก่อนก่อนคิดมันก็รู้แล้วมันปกติอยู่เหมือนเราดูน้ํำนิ่งๆอ่ะก่อนที่ปลาจะผุดขึ้นมาเป็นคลื่นอ่ะมันรู้ก่อนพอมันลืนขึ้นเกิดขึ้นมาปลาผุดมันก็รู้อีกแต่มันรู้ก่อนแล้วสติก่อนคิดขณะคิดแล้วก็หลังคิดอยเี้นะถ้าเป็นภาวะผู้ดูมันรู้ก่อนแล้ว ตอมันอยู่กับตัวสติมันอยู่กับความเป็นปกติเราก็เห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโกรธแล้วไปรู้มันไม่ทันโกรธแล้วไปรู้น่ยไม่ทันมันรู้ก่อนนี่มันรู้ตั้งแต่ผัสสะมากระทบตัวน่ะเขาพูดก็นินทาก็ด่ากระทบมันรู้สึกแล้วมันรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะไม่ต้องรอให้กระทบแล้วโกรธแล้วก็ไปรู้มันช้าไปแล้วมันทุกแล้วไฟไม่บ้านแล้วหาน้ามาดับดันไป็ไม่จะทันกินแล้วทํำก็ ทำข้าวสารก อ, อกหม้อนะไม่ทานกินแล้วก็มีบทสนทนาที่อาตมาพาหลวงตะกมไปดูชัดฉัดพอดีมีโยมก็บริจาคมานะแปดหมื 8, ่นนั้นนะ่ะโยมชัดแก่นั้นนะ่ะชัดละหมืน่นชัดละหมืน่นชัดละหมื่นค่าส่งอีกหมือนแปดหมืนเอาไว้ตั้งไว้ไว้จะฉลองเฉลิมซะหน่อยปีนีนะ้เป็นปีที่นะวันวิสาขะจะมาถึง ในโลกเราเขาตื่นตัวกันมากเป็นความรักที่ใหญ่มากของโอสมสิเตสามาลุเจ้าฝรั่งก็ยอมรับมากมาวิสาขาบูชาเอละชั่วทําดีแล้วก็ชาระจิตเนี่ยตรงนี้ยมันไม่มีคําสอนในี่ในทุกๆศาสนาละชั่วทําดีนะมีอยู่แต่ ว, ว่าชําระจิตไม่มีนะแล้วก็แถมพระเจ้าไม่ได้พูดให้เชื่อพูดให้ฟังเฉยๆพระเจ้าไม่ได้ ต้องเชื่อนะป่าไม่ได้บอกนั้นในการละมัสูตรนะเราจะเห็นได้ช่ไหมแล้โดยเพราะความรู้สึกตัวนะมันมีอยู่ในสติปัฏฐานสี่ในหมวดที่เรียกว่าสาญญาปเพะมีบทใหญ่สนั่งเดินยืนนอนมีอยู่ในอวบใหญ่สี่ในเรื่องของมหาติปฏฐานสูตรมันมีจริงจริงอยู่ในนั้นถ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วพูดไว้อย่างนี้เราก็พร้อมเลยที่จะ ศรัทธาเต็มร้อยนะแล้วก็ลงเมตตาธทําลงไปจะนั่งเหมือนกับว่าเมตการปฏิบัติล้วนๆหนันงสือเราก็ไม่ดูฟังเราก็ไม่ฟังนะเก็บอามเข้มจะมีอยู่ช่วงอาทิตย์แรกนะประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยเราควมาทําวัดสวดมนต์กันหน่อยมันก็จะปรับเนื้อปรับตัวเข้ากะจกิจวัตรประจําวันแล้วก็เข้าการูปแบบการปฏิบัติประทีทั้งเดือนะ หรือว่า40วันเนี่ยนะบางคนก็มาเดือนบางคนก็มา40วันน่จะได้ใช้รูปแบบอย่างเต็มความสามารถและเต็มประสิทธิภาพของรูปแบบที่มันมีมันจะให้ผล40วันเนี่ยนะมันจะให้ผลจริงๆ30วันนี่1เดือนอาจารย์กำพลเนี่ยได้ผลคนพิการปฏิบัติธรรมทีเมัเช่าหลวงพ่อเทศว่าแค่หายใจเข้าไปเดือดทำได้จลสติได้คนพิการอาจารย์กำพล พิการนั้นนะคอลงไปเนื่องจากกระโดดน้ำใช่ที่หลายคนก็รู้กันอาจารย์สอนประลาดแล้วกระโดดน้ำศีษะปักคนสัตว์กระโดกสันหลัง4 5ห้านะแตกบาดนะเศรนฐศาสาตรในไขสันหลังเป็นอัมาพาตทันทนะีท่านก็นอนมาหลายปีเสรจแล้วมารู้เรื่องการพิกมือสร้างจังหวัดท่าน นอนมาส6บหกปีอ่านหนังสือฟังครูบาอาจารย์คือลุงชิดทองมนุมพ่อนะไปไปที่ไหนก็เอาเทปมาให้ฟังอ่านหนังสือมาให้อ่าน16ปีฟังฟั ง, ฟง อ, อ่านอ่านไม่รู้เลยภาวะของรูปนามเป็นยังไงการมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยก็เขียนจดหมายมาขอกรรมาฐานกันบหลวงพ่อมเกลนะ จากจังหวัดนครสวรรค์เป็นคนพิการนี่จเจริญสติได้ไหมหลวงพ่อก็เลยตอบไปว่าได้หายใจกับพิบตาหายใจกับพิบตาก็าาาาามาเป็นความรู้สึกตัวได้หรือว่าพลิกมือกว้าพลิกมือหงนะายนาธรมได้นายธรรมนะรู้สึกตัวได้นอนก็รู้สึกตัวได้เกิดกำลังใจขนาดหนักเลยนะ กเกิดศรัทธาเกิดมาเกิดปิติก็เลยนอนพลิกมือควา่าพลิกมือหงายพลิกมือควา่าพลิกมือหงายเดินเดียวอท่านบอกว่าอาทิตย์เดียวท่านก็รู้แล้วแต่ว่ามั่นใจจริงๆคือหนึ่งเดือนสามสิบวันท่านมั่นใจเลยสิ่งท่านรู้นะใช่เสร็จแล้วท่านก็พยายามเขียนจดหมายโต้ตอบกับหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนว่าคนมันโต้ตอบลักษณะ น, นี้มันคนรู้ทำแล้วนะ พูดได้ขนานดะนี้ก็เลยให้พรงไปดูไปถึงบ้านไปถ่ายวิดีโอไหมมันเป็นใครมาจากไหนนีถึงพูดได้แบบเนี้เสร็จแล้วก็มาปลูกกุฏิให้อยู่เดิมอยู่ที่กุฏิ16ผมเลยจะมาเะไไปทํากุฏิหลังแรกก็สุกตัวกุฏิใจกัมพลนั่นแหละในนี้ไม่มีช่างก็ต้องฝึกหัดคนให้เป็นช่างมาทำ ห, าหลังแรกแต่ต่อมากรย้ายทําให้ส่อหนึ่ง ซึ่งสมัยก่อนไม่มีถนนผ่านเส้นนี้ไม่มีคนจะมาตรงนี้ได้ต้องเดินไปทางสะพานอ้อมมาเสร็จแล้วก็เดินไปทางเล็กๆเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปป่ายาคาก็เป็นช่องทางขึ้นมาหลวงชิดมาดูบอกเจ้าตรงนี้แหละมันเป็นจอมปวกเดิมทีเน่ยชีย้ให้ก็คือกดหลวงพ่อที่เป็นปัจจุบันเนี้ที่อยู่กาจาร์ตุ่มปรับดินไว้เรียบร้อยให้ลวงชิดแ ต, ต่ปรากฏว่า ไม่เอาบอกมาใกล้คนใกล้ศาลาไม่สะดวกใจจะมาเอาอยู่ในปา่าตอนหลังเลยตัดทางมากลายเป็นกุศหลังที่หนึ่งเลยะเนี่ยมันคือความไม่แน่ความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทางตันที่ไหนได้ไม่ทางตันนะผ่านมันเฉยๆเลยนั่นแหละคือกุศลของอาจารย์กาพนเก่าเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ได้มาอยู่แล้วแล้วก็ ต้นมะไฟข้างๆลุงชิดพ่ออาจารย์กัมพลนะปลูกไว้เดี๋ยวนี้พ่อกับแม่เสียชีวิตไปแล้วเมื่ามีต้นมะข้าวด้านหลังอยู่ต้นหนึ่งลุงชิดแกก็ปัดต้นมะข้าวฆ่าต้นมะข้าวนะวันโดยรอบเลยไม่ให้น้ําเลี้ยงมันขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันตายแล้วก็ต้นมะไฟมันจะได้ออกร้อออกรูปมากๆออกดอกออกผลแล้วมีลูกให้เราได้กินกันแกเลือกฆ่าต้นมะข้าว ปรากฏเอามาก็เห็นว่าลวงชิด น, นี่แกตายก่อนนะหลังจากติควันต้นมะข่าเสร็จไปรอบนั้นไม่ได้กลับมาเลยนะแล้วก็เห็นต้นมะข่ามันโต ว, วันโตคืนเนี่ยไปดูได้เลยปิศนาธรรมแล้วมันจะดูแลตัวมันเองในอย่างดีเลยต้นที่ควันโตวกว่าตรงจุดอื่นๆลําต้นทั้งหมดนะตรงที่ควันเนี่ยมันบวมมากเลยจเจริญเติบโตดีกว่าที่อื่น อุปมาอุปไมยเหมือนเวลาเราปฏิบัติธรรมเวลาเจอปัญหาเจอจุดอ่อนตรงนั้นแหละมันจะเป็นความเข้มแข็งการเห็นธรรมก็จะทำให้มันเห็นจากจุดอ่อนมันจะเป็นจุดแข็งขึ้นมาเพราะนั้นง่วงเป็นเป็นเปลี่ยนเป็นไม่ง่วงจะ่าไปหลับตาให้มันวันนี้เห็นนักปฏิบธรรมบางคนหลับตาพริ้มไปนั่งนิ่งใอ้พระเพรี่นี่ยเจ้าอ่อนแอมากกว่าเก่าที่นี่ก็าไปบัติแนวเคลื่อนไหวพยายามเคลื่อนไหวให้มากๆ เรมตาเข้าไว้อย่าไปหลับตามันง่วงเปลี่ยนไปกว่าไม่ง่วงมันจะเข้มแข็งขึ้นไว้เหมือนถ้นอนเส้นหน้าเนี่ยมันแฉ่มากๆเลยนะรถติดอาตมาเาหินมันลงให้มันแล้วก็เทปป้วนให้อะนะมันดีกว่าที่อื่นเลยเส้นหน้าดีกว่าที่อื่นเลยหินอัดแน่นตึ๊บเลยเพราะฉะนั้นอย่านั่งนิ่งๆกรรมฐานไม่ใช่นั่งนิ่งๆฟังพระเทศก็เคลื่อนไหวได้นะยิ่งดีซะด้วย ใจเรายังมีสติตื่นรู้รู้เนื้อ ร, รู้ตัวอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีป่ามันกะ็มีสัตว์ร้ายต่างๆอาศัยอยู่มีปา่างป่านี้มี ง, งูมีตะขาบนะมีแมงปองมีสัตว์มีพิษอีกจํานวนมากอาศัยอยู่นะัเวลาการเต้นหรือว่าเอาอิฐไปนะเอาแผ่นหินแผ่นปูนแผ่นอะไรไปทับนะระวังให้ดีนะอาจจะไปทับรูงูก็ได้นะ ปูผ้าปูผ่อนะดวมีรูอะไรหรือเปล่านะเวลานั่งอนะเดี๋ยวก็จะกลอดเ น, นะทุกวันนะเข้านอนอนะไปดูให้ดีๆปิดซิปดีหรือไม่นะมันมีศัสต์ลาสิ่งเข้าอยู่หรือเปล่าเราอยู่ป่านะอยู่ให้เป็นนะเหมือนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้ามีป่าคือความคิดมากๆนะเนี่ยอคุสนเจริญนะมันก็มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานะ พอให้ถางให้เตียนย้ำดีความรู้สึกตัวย้ำย้ำทําซ้ซําๆให้มันเตียนเตียนโล่งโลงจะเป็นทางเป็นมรรคผลที่พานให้ได้ทางเรียออกว่ามรรคเน่ยเมื่อเราเข้าป่าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดี๋ยวมันก็เรียบหญ้าขึ้นไปได้แล้วก็เดินสะดวกขึ้นอย่างเงี้ย น, นะเหมือนกั น, นเราก็จึงมาถาังป่าในจิตในใจของเรากันสี่สิบวันเนี่ยถางให้เตียนกันแล้วกันกิเลสใครกิเลสเราเราไม่ต้องไปดู จะผิดเพลงโทษคนอื่นนะตอนนั้นมาที่วัดป่าส่วตไม่ต้องไปดูใครแม้แต่คนเดียวนะวัตถุหนึ่งสองสาบุคคลหนึ่งสองสามต้นไม้ใบา้าไม่ไปสนใจก็หรอกสนใจตาการที่อยู่ในตัวเรานะอันนี้เป็นวิชากรรมฐานาผลทำให้เกิดทิัฐนาญานะณพระเจ้าทำอย่างนี้เกินะนไหวรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวนะตนท่านทอย่างนั้นคราวนี้เราก็ทำตามไปเลย ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เพ่งออกนอกตัวอันนี้นเป็นวิชาอับ ป, ปรีจันเ ล, ลยนะอับ ป, ปรีจันเยอุบาทเกิดมาทุกครั้งที่เราส่งจิตออกไปนอกตัวเดี๋ยวได้ไปจับผิดเพ่งโทล่ะะคนนั้นทำไมทำอย่างนั้นคนนี้ทำไมทำอย่างนี้อันนี้จะกลายเป็นกิเลสหนาปัญญาทึบนะเรียวมาเมื่อกระไพเมือ่อเรามาสว่างกระไพเมือ่อนะละกันเเราก็จึงได้เห็นคนหน้าใหม่ๆเวียนเข้ามาที่วัดป่าสกงตัวอยู่เป็นประจํา เราก็จึงได้ประโยชน์กันให้การปฏิบัติ40วันหรือว่า7วันหรือว่าจะกี่วันก็ตามเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวความรู้สึกตัวกลับมาดูภายในใจเรากั น, เ, นเมื่อเช้ามีบทสนนากับหลวงพ่อบทหนึ่งว่าทิวต์ป่าสกโตเนี่ยก็มีการตีพึ่งกันแล้วก็ผมเลือกธรรมาก็ถ่ายรูปมันใส่แล้วก็ส่งให้กำนันก็ตามล่าแล้วนี่ก็รู้ตัวแล้ว แล้วก็กําหนันก็ไปตามยึดน้ําผึ้งมาเอามาให้กับหลวงพ่อคํามาเขียนสองขวดหลวงพ่อก็บอกแม่เอาหรกน้ําผึ้งคนมันขโมยที่จากในวัดหลวงพ่อให้คนอื่นก็ต่อไปเจอแล้วหลวงพ่อก็พูดปริศนาทำให้ฟังว่าน้ําผึ้งเนี่ยของจริงไม่ใช่ของปลอมแต่น้ําผึ้งคือน้ําผึ้งนะวิธีดูดูยังไงว่าน้ําผึ้งคือน้ําผึ้งเอาใส่ไปในน้ํำนี่แหละหยดใส่ไปในน้ําน้ําผึ้งมันจะตกลงไปเลย แล้วลองเอนาน้ำนั้นนํามาเดิมจะไม่มีรสหวานเลยน้าเพิ่งมันจะเก็บความหวานเอาไว้ในตัวแล้วก็มันจะไม่ปนกับน้ําเด็ดขาดนะเอามาแล้วเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะความรู้สึกที่ใกายนะันจะไม่ไปปนกับอย่างอื่นเลยไปปนกับความคิดไปปนกับความง่วงนะไปปนกับความเบื่อมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก แล้วพอมีสติมีความเป็นปกตินะมันมีกรรมฐาน ม, มันจะไม่ปนเปื้อนกับการงานอื่นเลยนะการงานอื่นเป็นเรื่องของเขาแต่การงานของเรามีอะไรทําก็ทําให้เสร็จเลยว่าแข่งกับตัวเองแต่ทาการค้าไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นเขาคนอื่นเขา ท, ทาไงกับเรื่องของเขาแต่เราจะแข่งกับตัวเองนะทําให้มากขายให้ถูกกาไรน้อยๆแต่ทําหนักหน่อยนะทำหนั ก, กเพื่อนหน่อยนะเหมือนกับพิธีกรรมนั่นแหะ นะเวลาเท่ากันแต่ว่านะบางคนก็ไปพูดไปคุยทํานะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเราไม่สนใจเราเดินชมคมเรานั่งสร้างจังหวัดนะเก็บเกี่ยวในรูปแบบนะเต็มที่เลยทำงานหลักนะจนกระทั่งมันทําเป็นแล้วก็ได้เงินพอนะงานอดิเรกเดี๋ยวก็ค่อยๆไอ้นี่ก็ทำได้ตังค์ไอ้นี่ก็ทำได้ตังค์เมื่อมีเวลาแล้วเราก็แบ่งเวลาไปทําด้วยนะในสำหรับคนที่หาเงินมั่งคัง่งเป็นหมหาเศรษฐี จเจริญสติฐานกายอย่านั่งรู้นะีจากกายเห็นกายสัว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอย่างเงี้ยนะเห็นเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันจะเป็นการพัฒนาเป็นงานอาิเล็กไปเห็นจิตสักว่าจิตอาการคิดสักว่าคิดเนี่ยตรงนี้นะจิตในจิตเนี่ยไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นธรรมชาติต่างๆอาการภายนอกภายในที่มากระทบสัมผัสเ ป, ป็นปัจจัย เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นอาการต่างๆเกิดดับเกิดดับเราไม่มีความคิดเข้าไปปรุงไปแต่งมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติก็เป็นอย่างที่มันเป็นเราไอเห็นสักโลไอเห็นไม่เข้าเอาเป็นความสุขความทุกข์ไม่มีความคิดเข้าไปตีความต่างๆปัจจัยความรู้สึกจริงๆทุกครั้งที่กระทบสัมผัสจากกายเป็นตาหูจมูกลิ้นจ้าทั่งเป็นความคิดรู้แล้วรู้อีกนะ กลมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเนกระทั่งมันเป็นขึ้นมาภาวะผู้ดูทําได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์คําพลคนพิการทำหนึ่งเดือนเราไปไหนมาไหนได้สบายเลยนะเก็บเกี่ยวเยีบทได้เต็มที่เลยนั่งเดินยืนนอนหันซ้ายแลกว่าทําอะไรก็ตามก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวแล้วก็งดพูดเพื่อภาวนางดพูดเพราะว่าความพูดคําพูดเนี่ยความ ที่เราพูดเนี่ยหรือว่าคําที่เราพูดเนี่ยข้อความต่างๆที่ใช้เนี่ยมันเป็นข้อความที่เป็นเงาของความคิดมันเกิดมาจากจิตที่มันคิดอยู่ตลอดเวลาเวลาเสร็จแล้วมันก็พูดในใจก็มีเราไม่ได้พูดมาภายนอกนะแต่บางทีเมื่อพูดออกมาภายนอกนกลายเป็นกรรมเนาะเมจีกรรมมันก็จะกระทบแหละบางทีพูดโทรศรัพท์กันมีอยู่ปีหนึ่งปีที่แล้วนี่แหละนายไปทําที่กางเต็นมีแม่ชีคนหนึง่งแก่ของขึ้น ปฏิบัติแล้วแกก็แหมร้อนวิชานะแกก็โทรไปบอกค่ะลูกศิษย์แล้วบอกใครเมื่ยใโยมสอนธรรมะใหญ่เลยทางโทรศัพท์กลางคืนด้วยนะเสรจแล้วเอ้ข้างๆก็ลำคาญ น, นีมันก็เดินมากระเทือบท้าเลยคล้ายๆทำไมหยุดเดี๋ยวจะกระเทือบมึงอะไรเงี้ยนะมันกรอดโนะยมมันโมโหหน้าดูเลยโยมคนนี้ก็ชื่อแจ้วนะโยมชื่อแจ้วแกอารมณ์โยงก้าง อีกคนก็เป็นแม่ชีโยมจะกระเทิแม่ชีให้เรามัะลองกันไวนะ้การเดินการยืนการนอนการใช้ห้องน้ำห้องท่าเปิดประตูปิดประตูเรามาลังให้ดีๆเดี๋ยวจะทะเลาะเบาแวงกันหรือไม่เข้ากรรมฐานไม่ได้ก็จะได้ยานมวนเสือ้อแขบกระเป๋ากลับบ้านกอย่างนี้เราก็จึงมารู้จักรูปแบบของการปฏิบัติและการฝึกกรรมฐ า, าน ให้มารู้ชัดให้ได้สวันเนียแล้วก็ปีนี้ดีที่หลวงพ่อเขียนท่านแข็งแรงขึ้นแข็งแรงแล้วก็รู้สึกว่าท่านเปิดโอกาสเลยนะให้เราได้เมื่อติดอารมณ์เมืม่อติดอารมณ์ให้เข้าหาแล้วก็บอกท่านนะบอกท่านว่าปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างไรมันติดตรงไหนติดขัดตรงไหนเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะแก้อารมณ์ ไม่ต้องกลัวครูบาอาจารย์ไอ้กลัวก็อดวิชาไอต้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องอายกันไม่ต้องเตอรไม่ต้องเคยไม่ต้องกลัวถือว่าท่านพร้อมตั้งสํานักมาเพื่อสืบทอดคําสอนแนวหลวงพ่อเทียนหรือสืบทอดภาษศาสนาให้คนทุกคนได้รับชื่อทําดีแล้วก็เข้าถึงตัววิชากรรมฐานจริงๆคือชารัสจิตให้ข้าลอบเพราะฉะนั้นเคล็ดลับการไปด้วยคือให้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดนะ แต่ถ้าเข้าไปอยู่กับความคิดจนติดอารมณ์ให้ครูบาอาจารย์ท่านแก้ครูบาอาจารย์หรือว่ากัลยาณมิตรของเราที่เห็นว่าท่านเหมือนกับรู้จริงเข้าหาเลยแล้วก็สนทานานไม่ต้องเยอะสั้นๆถ้าคนรู้จริงสั้นๆก็แก้อารมณ์ได้แล้วแก้ได้ทันทีแต่ก่อนจะบอกท่านให้ท่านแก้ให้เราแก้ด้วยตัวตัวเราเองให้ได้ก่อนเผื่อมันแก้ได้กันมาก็พึ่งตัวเองได้แน่นอนในระยะยาว แต่แก้ไม่ได้จริงๆจำเป็นแล้วนะผงเข้าตาตัวเองมันต้องให้คนอื่นช่วยเคลียร์หน่อยมันถึงจะง่ายเอาละนะก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สบนะนะก็เป็นวันเริ่มต้นของการที่เราจะฝึกกรรมฐานเข้มกันทั้งเข้มทั้งไม่เข้มก็ถือว่าให้ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนีนะ้เพื่อที่เราจะได้เหมือนกับว่า ได้ใช้สถานที่สัพยาและครูบาจารย์รวมทั้งรูปแบบปฏิบัติ น, นอย่างมีสิทธิเ์เต็มร้อยแล้วก็ให้ใช้สิทธิ์ที่จะพาตัวเองออกจากทุกเต็มร้อยเหมือนกันก็ขอให้คนที่ยังไม่มาก็ขอให้มาใครที่มาแล้วและกางเต็นท์เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้ากับฐานเข้มสี่วัน ก็ขอให้ได้พบกับธรรมะแล้วก็เดินทางพ้นทุกข์ตามกำลังสมควรแก่การปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านโดยทั่วนากันทุกรูปทุกนามเทิน